บุกท <Book> <32 S 3> ูสามสิบสองที่ร้านอาหารสี่ที่ร้านอาหารสี่ขอมันฝรั่งทอดกับซอสมะเขือเทศหนึ่งที่ หนอร์ชิอมฟริตโซเ่งพมฟริตโซเคชัพและมายองเนสสองที่อีดซมสโมายองเนสและไส้กรอกกับมัสตาดสามที่อีทรอร์ิโซปรคลบสโซเซนฟ ซคุซคุณมีผักอะไรบ้างครับค่ากฟเซลนชุกอิมเัเคุเอมคุณมีถั่วไหมครับอิมัเตลิกราฟคุณมีดอกกระหล่ำไหมครับอิมัเตลีคารฟโอ Имате ли карфил? ผมชอบทานข้าวโพดหวานยัส о ซาซาดูวอลสโตอยากกินผึน้งก์ยดูวอล е โตอผผมชอบทานแตงกวายัสม о บูเจวัมอย о กกินครา я ตาวิซิยั а มอบูเจวัมอย ผมชอบทานมะเขือเทศ Yes, radovjadam domati. Yes, r a d o v a d a m domati. คุณชอบทานต้นหอมด้วยใช่ไหมครับ Jađete li isto t a k a e t e li t a k rado i luk. คุณชอบทานกระหล่ำปีดองด้วยใช่ไหมครับ Обожавате ли да јадете исто така и кисела зелка? Обожавате ли да јадете исто така и кисела зелка? Кунчоб тан тва линзен дуе, чиј не крап. Обожавате ли да јадете исто така и л е ќ а Обожавате ли да јадете исто така и л е к а คุณชอบทานแครอทด้วยใช่ไหมครับคุณชอบทานบลอกเกอรี่ด้วยใช่ไหมครับ คุณชอบทานพลิกหวานด้วยใช่ไหมครับ Obuževšli da, da j d e isto t a k i piperki o b ž v š l i da j d e isto t a k i piperki ผมไม่ชอบหัวหอมใหญ่ Yas nesakam kromit a s nesakam kromit ผมไม่ชอบมะกอก ย้ําเน่ากับมัสลินกีย้ําเน่ากับมัสลิกผมไม่ชอบเห็ดย้ําเน่ากับเป็ดชุกีย้ําเน่ากับป็ุก